บทภาชณีปาจิตตีร้อยสามสิิกษุทําผ้ารองนั่งวงเล็บที่เกินขนาดที่ตนทําค้างไว้ต่อจนสําเร็จด้วยตนเองต้องอบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทําผ้ารองนั่งที่ตนทําค้างไว้ต่ อ, ตอจนสําเร็จต้องอบัติปาจิตตีภิกษุทําผ้ารองนั่งที่ผู้อื่นทําค้างไว้ต่อจนสําเร็จด้วยตนเองต้องอบัติปาจิตตีภิกสุใช้ผู้อื่นให้ทําผ้ารองนั่ง ที่ผู้อื่นทําค้างไว้ต่อจนสําเร็จต้องอบัติบาจิตตีทุกกฎภิกษุทําเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทําผ้ารองนั่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอบัติทุกกฎภิกษุได้ผ้ารองนั่งที่ผู้อื่นทําสําเร็จแล้วมาใช้สอยต้องอบัติทุกกฎ